รู้ทางมาของอุปาทานอาการคิดเองเออเองเกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเชื่ออะไรเียนเพี้ยนได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานซึ่งจะเพี้ยนขนาดไหนก็สุดแท้แต่ว่าอาการคิดเองเออเองจะหนักขนาดไหนที่จัดว่าเป็นคนปกติเมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองนั้น จะรู้ตัวทันทีหรือในเวลาไม่ช้าว่านั่นเป็นอาการด่วนคิดด่วนสรุปต้องรอดูก่อนว่าหลักฐานเป็นอย่างไรสมเหตุสมผลแค่ไหนอย่างเช่นซื้อหวยเพราะฝันว่าจะถูกหวยก็รอตัวเลขซะก่อนที่จะกระโตกกระตากเมื่อถูกจริงค่อยหลิงโลดเมื่อผิดไปก็ยอมรับว่าฝันทั้งเพ ไม่ใช่ทึกทักว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ปักใจยึดอยู่อย่างนั้นกล้ามพูดโฆษณาให้ฟังทั้งหมู่บ้านไม่เลิกแต่ถ้าจัดว่าเป็นคนเกือบผิดปกติเมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองแล้วจะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองด่วนคิดด่วนสรุปเทว่าก็ยังสองจิตสองใจสับสนอยู่ว่าตัวเองคิดถูกแน่หรือไม่อย่างเช่น ใจนึกชอบใครก็จะสังเกตรหรือจับจุดเล็กจุดน้อยเพื่อสนับสนุนว่าเขาชอบตนเช่นกันแต่ก็ไม่กล้าถามให้รู้เรื่องตรงๆเพราะลึกๆวันอยู่ว่าอาจไม่ใช่อย่างที่คิดนั่นเองส่วนที่จัดว่าเป็นคนผิดปกติเต็มๆเมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองขึ้นมาจะไม่ยอมรับหรือว่า ตัวเองด่วนคิดด่วนสรุปยังดึงดันจะเอาความเชื่อของตนเป็นใหญ่ไม่สนใจหลักฐานต่อให้ใครหาหลักฐานมายืนยันว่าคิดผิดก็ไม่ยอมจำนวนอยู่ดียังคงเดินหน้ายืนกรานตามอุปาทานของตนไม่เลิกอย่างเช่นคิดว่าตัวเองมีบุญมากกว่าใครสำคัญกว่าใครตนคู่ควรกับชะตารู้รูเท่านั้น ใครทำไม่ดีกับตนเป็นบาปแต่ตนทำไม่ดีกับใครไม่เป็นไรสิ่งที่ตนตัดสินใจฉลาดที่สุดสิ่งที่ตนเชื่อมีแต่ถูกกับถูกเท่านั้นเหตุผลที่กลันออกมาจากสมองทั้งหมดก็เพื่อยืนยันความเชื่อไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ความเชื่อใดๆทั้งสิ้นคนประเภทผิดปกติเต็มๆเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสังคมเพราคนเหล่านั้น สะกดจิตตัวเองให้คิดว่าเป็นร่างทรงของเทพเจ้าได้กล้ากักขังนงเหนียวคนที่ตัวเองแอบหลงรักได้พอไม่ชอบใครก็รู้สึกว่าเป็นความชอบธรรมที่จะกำจัดทิ้งได้ถ้าแน่ใจว่าคุณเป็นคนปกติหรืออาจจะเกือบผิดปกติราวน้าเมื่ออยากด่วนสรุปอยากทึกทักอะไรเพี้ยน ขอให้สังเกตดูว่าตราบเท่าที่ยังคิดเองเออเองตราบนั้นจะยังปรากฏนิมิตภาพอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่ในโลกความจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นจริงนิมิตภาพนั้นมีผลขับดันให้นึกอยากพูดอะไรออกมาเป็นตุเป็นตะหรือพลานคิดเป็นเรื่องเป็นราวประดุดนิมิตภาพนั้นอาบมนมายาสะกดให้พลาดเพอ หลุดจากขั้วความคิดเป็นเหตุเป็นผลปักแน่วไปในความเชื่อผิดๆเต็มประตูความเชื่อผิดๆเรียกว่าอุปาทานอุปาทานคืออาการที่จิตยึดมั่นสาคัญผิดหมายความว่ายึดน้อยอุปาทานน้อยอันตรายน้อยแต่ถ้ายึดมากอุปาทานมากก็อันตรายมาก อุปาทานเป็นสิ่งที่พอกผูนได้ลดทอนได้อย่างเช่นผู้ที่ใช้เหตุผลแบบเป็นวิทยาศาสตร์จะสามารถทําอุปาทานให้เจือจางลงแต่ถ้าถึงขั้นบูชาวิทยาศาสตร์เป็นสารณะก็มีสิทธิ์เกิดอุปาทานชนิดใหม่ขึ้นมาอีกกล่าวคืออะไรอะไรต้องพิสูจน์ได้จับต้องได้ด้วยหูตาหรือเนื้อตัวเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้วิทยาศาสตร์จึงไม่อาจลดอันตรายอันเกิดจากความสำคัญผิดบางประการเช่นกรรมทำแล้วก็แล้วไปไม่มีผลข้างหน้าเป็นต้นเพราะเรื่องของวิบากกรรมเอามาพิสูจน์จับต้องกันด้วยมือไม้ไม่ได้ใช้วิธีการอันเป็นรูปธรรมตามขนบของวิทยาศาสตร์ไม่ได้แม้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก รู้หมดในสิ่งที่ตัเองเชี่ยวชาญและทดลองอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดประดิษฐ์หรือการใช้สิ่งมีชีวิตสังเวยการทดลองให้ผลเป็นความกระด้างทางใจในปัจจุบันอย่างไรรวมทั้งจะให้ผลเป็นทุกข์แค่ไหนในอนาคตเขาว่าก็ทึกทักกันมานานแสนานานว่าไม่เป็นไร วิธีที่จะลดถอนอุปาทานได้อย่างแท้จริงจําเป็นต้องอาศัยเครื่องชี้วัดที่เห็นได้ด้วยตาจับต้องได้ด้วยมือรวมทั้งรู้สึกได้ด้วยใจว่าใช่แล้วถูกแล้วดีแล้วมีความชอบธรรมตรงตามสามัญสำนึกแบบมนุษย์คนหนึ่งแล้วยกตัวอย่างเช่นจะสําคัญมั่นหมายว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหมือนยักษ์ หรือสว่างแจ้งเหมือนเทวดาจุดติลงมาเกิดก็ตามจริงหรือไม่จริงขอให้ยกไว้ก่อนแต่สิ่งที่ยกเว้นไม่ได้คือดูผลกระทบที่สังคมจะได้รับจากความเชื่อนั้นมีแนวโน้มไปในทางดีหรือทางร้ายบางคนเชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วไม่ทำอะไรมากไปกว่าเดินเบ่งไปวันวัน ข่มขู่ผู้คนให้ยำเกรงแบบไม่ต้องมีเหตุผลสมควรอันนี้ชัดเจนว่าเป็นความเชื่อที่ให้โทษเพราะเชื่ออยู่เงียบๆคนเดียวไม่พ อ, อยังลากคนอื่นมาปลอยเดือดร้อนกับความเชื่อของตัวด้วยถ้าเทวดามีจริงก็ยอมบังเกิดขึ้นด้วยมหากุศลกรรมที่เคยเกื้อกูลมหาชนชนไหนจึงลงมาเดินดินปวดเบง อยากข่มเหงรังแกใครเช่นนี้เล่าบางคนเชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเร่งทางความดีอนุเคราะห์คู่คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายแบบไม่เห็นแก่เหนื่อยยากอย่างเนี้ยเป็นความเชื่อที่เป็นคุณชนิดไม่ต้องสงสัยเพราะไม่เก็บความเชื่อไว้ยังกระจายความเชื่อออกมาเป็นผลงานจับต้องได้ด้วยจะเคยเป็นเทวดามาหรือเปล่าไม่รู้ รู้แต่ว่าถ้าเทวดามีจริงก็น่าจะต้องเกิดขึ้นจากกรรมในการให้ทานรักษาศีลเป็นแน่ถ้าหากแม้ว่าคุณจะเชื่อผิดคิดว่าเคยเป็นเทวดาทั้งที่ไม่เคยเป็นแต่ความเป็นจริงในอนาคตก็คือคุณจะต้องได้เป็นแน่นอนใครจะกล้าสงสัยได้เขากลับจะพากันเชื่อทั้งที่คุณไม่พูดประกาศสักคำด้วยซ้า เมื่อเห็นแน่แก่ใจว่าความเชื่อของคุณไม่เป็นภัยกับใครจะเห็นนิมิตฝ้าหมอกที่เบาบางหรือไม่มีฝ้าหมอกบดบังความจริงตรงหน้าอยู่เลยตรงข้ามกับความเชื่อที่เป็นภัยกับคนอื่นคุณจะรู้สึกถึงนิมิตกำแพงหินที่หนาแน่นบดบังความจริงตรงหน้าอยู่อย่างยากจะทำลายแมรู้ทั้งรู้อยู่ในส่วนลึกว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรจริงอะไรเท็จก็ตามคุณจะทราบด้วยว่าการเป็นผู้มีอุปาทานเบาบางหรือมีอุปาทานอันไม่เป็นภัยกับคนอื่นคือการเป็นผู้มีสิทธิทำลายอุปาทานขั้นละเอียดที่ห่อหุ้มจิตได้อุปาทานขั้นละเอียดก็เช่นยึดในสิ่งไม่เที่ยงไว้ด้วยความอยากให้มันเที่ยง ยึดในสิ่งไม่อาจทนอยู่เป็นตัวตนด้วยความอยากให้มันคงทนเป็นตัวตนเดิมไม่เลิกคุณจะทราบได้ด้วยใจในที่สุดว่าผลของการลดทอนอุปาทานได้คือการลดทอนทุกข์เฉพาะตนผลของการทำลายอุปาทานได้คือการไม่เป็นทุกข์ทั้งกับตนและคนอื่น ส่งท้ายถ้าคุณไอสูงแต่โมโหจัดจะเหลือความฉลาดน้อยกว่าคนที่ i อต่ำกว่าคุณถ้าคุณมีอีสูงแต่ขาดสติจะเหลือความฉลาดน้อยกว่าคนที่อีต่ำกว่าคุ ณ, ถ, ค ณ, คคคณถ้าคุณ s อสสูงแต่ยังไม่สุดก็ยังขาดสติได้กลับไปโมโหจัดได้จึงฉลาดน้อยเท่าคนไอคต่ำ และอีคิวเตียได้แต่ถ้าถึงเอสคิวขั้นสูงสุดคุณจะไม่มีการขาดสติไม่มีการกลับไปโมโหจัดจึงฉลาดจริงเท่าเทียมกันไม่มีอะไรเหลือให้เทียบวัดว่าความสุขทางใจของใครมากกว่ากันอีกแนะนำหนังสือทิ้งท้ายวิปัสสนานนบาล อาศัยกายใจของคุณขณะนั่งอ่านเป็นอุปกรณ์สาธิตประกอบเนื้อหาเนื้อหากล่าวถึงวิปัสสนาอย่างไรประสบการณ์ทางวิปัสสนาจึงถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นกับคุณอย่างนั้นเพื่อเจริญสติต่อยอดจากฉลาดทางจิตสามารถอ่านหนังสือวิปัสสนานุบาลได้ฟรีที่เว็บไซต์ดังตรินด o m อมหรือสามารถฟังเสียงอ่านที่ผมอัดไว้แล้วได้นะครับ ใน YouTube ช่องโจโจเสียงธรรมหรือดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ทุกเรื่องได้ที่เว็บไซต์โจโจเ .net สัพพะทานังธรรมะทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับงานของคุณดังตรินมีให้อ่านและฟังฟรีแต่ถ้าใครมีทุนทรัพย์พออยากร่วมสร้างกุศลก็สามารถสั่งซื้อหนังสือไปแจกในงานเป็นของชั้มร่วยต่างได้ตามศรัทธา หรือจะส่งให้ห้องสมุดหรือเรือนจําก็ได้นะครับขออนุโมทนาทุกท่านไว้ณที่นี้สําหรับเสียงอ่านทุกเรื่องของผมสามารถนําไปเผยแพร่แจกจ่ายต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม